สารบัญ 1. น, ห, นหัวข้อธรรมที่จำเป็นต้องรู้ 1. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมหน้า31 2. เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม31 3. ทุกและสาเหตุของความทุกข์32 4. รู้ทุกได้อย่างไร32 5. พ้นทุก์ได้อย่างไร33 6. จะเห็นกายและใจว่าไม่ใช่เราได้อย่างไร33 7. ปัญญาคืออะไร34 8. วิธีที่ทำให้เกิดปัญญา34 9. สัมมาสมาธิคืออะไรเกิดได้อย่างไร35 10. สติคืออะไร37 12. สติสัมปชัญญะคืออะไร38 13. จิตคืออะไร39 14. ลักษณะของจิต39 15. วิธีดูจิต39 16. ผลของการดูจิต40 17. สมถะคืออะไร40 18. วิปัสนาคืออะไร41 19สมถะกับวิปัสนาต่างกันอย่างไร42 20การปฏิบัติทํามคืออะไร42 21 ลำดับการพัฒนาของจิต43 2เรื่องที่ต้องเรียนก่อนการปฏิบัติธรรม1การเรียนธรรมะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก่อนหน้า47 2ก่อนภาวนาต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนหน้า59 3ก่อนปฏิบัติต้องเรียนรู้หลักก่อนหน้า62 4เรียนแล้วต้องลงมือปฏิบัติหน้า63 5. ธรรมะคือการเรียนรู้หน้า64 6. เรื่องที่ต้องเรียนคืออริยศาสตร์สติปัฏฐานและไตรลักษณ์หน้า64 7. อริยศาสตร์หน้า66 8. ชาวพุทธต้องเรียนอริยศาสตร์หน้า67 9. อริยศาสตร์ในขวัมปฏิสูตรหน้า69 10. ปฏิจจสมุปปบาทหน้า71 11 การเห็นปฏิจจสมุปปะบาท ต, ต้องมีสภาวธรรมรองรับหน้า76 12. ไตรสิกขาหน้า80 13. ขอบเขตของการศึกษาเรื่องไตรสิกขาหน้า85 14. สติ ป, ปัตฐานหน้า93 15. สติ ป, ปัตฐานเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้หน้า94 16. สติ ป, ปัตฐานในโกศ ล, ลสูตรหน้า97 17. เจ็อิทธิบาทสี่หน้าเก้าิสิบปดอินซีห้าหน้าเก 19. สิบสิบเกพละห้าหน้าหนึ่ง้สี่ยี่สิบความสุดตรงสองด้านในธรรมจักรกับป่ะวตนสูตรหน้าหนึ่ง้หยี่สิบเอ็ดโยนิโสมนาสิการหน้าหนึ่ง้ยี่สิบสองสติที่ใช้เจริญสติปัตฐานหน้าหนึ่ง้เก้ายี่สสาจิตปกติของมนุษย์ ใช้ทรรมภาวนาได้ดีที่สุดหน้าหนึ่งร้อยสิบยี่สิบสี่ใจมนุษย์ดีที่สุดตรงที่มันแสดงไตรลักษณ์หน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดยี่สิบห้าจิตที่ใช้ทารรสมถะและจิตที่ใช้ทาวิปัสสนาหน้าหนึ่งร้อยสิบสองยี่สิบหวิปัสสนาต้องเห็นจริงๆไม่ได้คิดเอาเองหน้าหนึ่งร้อยสิบสามยี่สิบเจ็ดธรรมะเห็นได้สามแบบหน้าหนาึ่งร้กยสิบเจ็ดยี่สิบปดลัคนจตุ ก, กะ หน้า118 29รู้ว่าจิตคิดเป็นวิปัสสนาแต่รู้เรื่องราวที่คิดอย่างมากเป็นสมถะหน้า119 30โลกตามความหมายของพุทธศาสนาหน้า119 31อโลกมีแต่ทุกข์หน้า121 32อทุกข์เป็นของที่ควรรู้รอบหน้า121 33อิทุกข์ัดทุกขเวทนาทุกขลักษณะ หน้า123 34คำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธหน้า124 35ขันมีแต่ทุกข์ลุดล้วนหน้า125 36เอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งหน้า125 37ธรรมะคือตัวความจริงหน้า127 38ศาสนาพุทธสอนให้รู้กายรู้ใจหน้า128 39หน้าที่ของมนุษย์หน้า129 3วิธีการปฏิบัติธรรม1ข้อพิจารณาก่อนการปฏิบัติธรรมหน้า133 1.1 หลักการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนหน้า133 1.2 กิริยาหลักมีคำเดียวคือคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้หน้าหนึ่งส ปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่เราหน้า141 1.4 1. 1. 4, การเจริญวิปัสสนาหน้า144 1.5 วิธีปฏิบัติต้องเลือกตามจริตนิสัยเราหน้า145 1.6 ธรรมะที่ควรเจริญอย่างยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาหน้า146 1.7 สภาวะที่เอื้ออำนวยแก่การมีสติหน้า146 1.8 การเลือกกรรมฐานหน้า148 1.9 จริตในการทำวิปัสสนามีสองอย่างคือตันหาจริตและทิฏฐิจริตหน้าหนึ่งร้อยสกรรมฐานสำหรับพวกทิฏฐิจริตและตันหาจริตหน้าหนึ่งรห้าสการใช้สติและปัญญาในการเจริญวิปัสสนาหน้าหนึ1งรหัวใจของการปฏิบัติคือการรู้สึกตัว หน้า1น่าการปฏิบัติคือการรู้ทันตัวเองหน้า153่1 4าการที่ร่างกายจิตใจมันทาอะไรแล้วเรารู้ทันเรียกว่าปฏิบัติหน้า153่ง5จุดแรกต้องเรียนให้เกิดสติและให้มีวิหารธรรมหน้า153่1 6าเวลาภาวนาให้มีวิหารธรรมหน้า155 1.17 การภาวนาให้ทำเหมือนคนวงนอกหน้าหนึ่งร้ยห้าสิบหกหนึ่งจุดหนึ่งแปดวิเศษลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะหน้าหนึ่งร้ยห้าสิบแปดหนึ่งจุดหนึ่งเกจิตปัจจุบันสำคัญที่สุดหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งจุดสองการวางจิตวางใจระหว่างการภาวนาหน้าหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งจุดสองหนึ่งวิธีปฏิบัติมีแต่รู้ทุกหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดหนึ่งจุดสองสอง เราไม่ได้ฝึกเพื่อรักกิเลสแต่ฝึกเพื่อรู้ทันกิเลสหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดหนึ่งจุดสองสามสติมีทั้งที่ประกอบด้วยปัญญาและไม่ประกอบด้วยปัญญาหน้าหนึ่งร้ยหกสิบสองหนึ่งจุดสองสี่การภาวนาต้องอดทนแต่ไม่รีบร้อนหน้าหนึ่งร้ยหกสิบสองหนึ่งจุสองห้าการภาวนาต้องมีความสุขหน้าหนึ่งร้ยหกสิบสองหนึ่งจุดสองหการปฏิบัติตามรูปแบบมีความจำเป็น หน้า163 1.27 สมถะหรือวิปัสนาควรทำเมื่อใดหน้า164 1.28 สมถะทำเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนหน้า164 1.29 ไม่แยกการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตออกจากกันหน้า164 1.30 การภาวนาที่ผิดหน้า165 1.31 การน้อมใจเข้าหาความว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหน้า166 1.32 เจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วต้องทำสมถะ ต, ตามรูปแบบด้วยหน้า166 1.33 สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหน้า168 2. วิธีภาวนา 2.1. หลักการภาวนาหน้า169 1. แนวทางการปฏิบัติธรรม หน้า169 2. การเจริญวิปัสสนาหน้า170 3. การเริ่มปฏิบัติธรรมหน้า171 4. การภาวนาพลิกได้4แบบหน้า173 5. การปฏิบัติสำหรับผู้ยังภาวนาไม่เป็นหน้า175 6. การภาวนาโดยใช้อานาปานาสติหน้า176 7. ผู้ปฏิบัติใหม่ให้ตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หน้า178 8. การแยกรูปนามเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหน้า178 9. วิธีแยกรูปแยกนามหน้า179 10. การปฏิบัติสายวัดป่ามี3ขั้นตอนหน้า181 11. การภาวนาโดยมีจิตผู้รู้หน้า182 12. ทำสมถะให้ถูกต้องจะมีจิตผู้รู้เพื่อเจริญปัญญา หน้า183 13วิธีเดินจงกรมเพื่อเจริญวิปัสสนาหน้า184 14ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมหน้า184 15เมื่อใจตั้งมั่นแล้วสติจะระลึกรู้กายหรือรู้จิตก็รู้อันนั้นหน้า186 16ต้องรู้ทันการปรุงแต่งของจิตหน้า187 17ให้รู้ทันสภาวะของจิตหน้า187 18แนวรุกแนวรับในการปฏิบัติหน้า188 19การพิจารณาตัวเราแบบแยกองค์ประกอบหน้า188 20การพิจารณาว่ากายกับใจไม่ใช่เราหน้า190 21ถ้ากระจายขันห้าออกไปจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหน้า191 22ถ้าพิจารณากายเป็นธาตุจิตใจไม่เที่ยงหน้า191 23. การพิจารณาไตารักของกายและใจหน้า19ึ่งร้อรู้มี2 อ, อย่างหน้า1 9ึ่งรวิธีทําใจให้สงบหน้า1 9ึ่งรการเจริญวิปัสนาจนเห็นนิพพานหน้า19ึ่งร้อกายานุ ป, ปัสนาและเวทนานุ ป, ปัสนาหน้า200 1. การตามรู้กายและเวทนาให้รู้ลงปัจจุบัน หน้า2 0งกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาต้องมีสมาธิหนุนหลังหน้า200 3. กายานุปัสสนาหน้า202 4. ทธาตุกรรมฐานหน้า203 5. วิธีพิจารณากายที่เคลื่อนไหวหน้า205 6. ก, การดูกายหน้า206 7. ก, การทำอาณาปนสติหน้า207 8. ้ เวทนานุปัสนาหน้า208 9การดูเวทนาหน้า209 2.3 จิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาหน้า210 1จิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาหน้า210 2การตามดูจิตหน้า211 3การดูจิตคือการใช้จิตดูจิตหน้า211 4 การดูจิตเบื้องต้นให้ดูเจตสิกหน้า212ห้าวิธีฝึกดูจิตในอิริยาบถนั่งหน้า213ราหกทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วหัดดูสภาวะของจิตไปหน้า213รเจ็ดวิธีดูจิตหน้า214รแปดการดูหลงไปคิดหน้า215 9. บเก้าบริกรรมพุโทโธเพื่อรู้ทันใจเราหน้า215 10สิบ วิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันหน้า216 11. การฝึกภาวนาทางอายตนะหกหน้า218 12. การเจริญธรรมานุปัสนาหน้า219 3. สภาวะธรรมของผู้ภาวนาหน้า220 3.1. เราปฏิบัติกับจิตของเราเหมือนลูกเราหน้า220 3.2. ยความแตกต่างระหว่างการประคองกับการรู้ตามจริง หน้า221 3.3 ถ้าประคองใจเอาไว้จะไม่เห็นไตรลักษณ์หน้า221 3.4 ถ้าเห็นไตรลักษณ์ใจจะเป็นกลางหน้า222 3.5 รู้ด้วยความเป็นกลางและไม่แทรกแซงขันหน้า223 3.6 การปฏิบัติไม่มีสายกายสายจิตหน้า224 3.7 มีสติอยู่กับปัจจุบันหน้า230 3.8 การปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้หน้า231 3.9 มรณสติหน้า232 3.10 ดูอสุภะจนแตกสลายเป็นผงหน้า232 3.11 เสื่อมรู้ว่าเสื่อมหน้า233 3.12 การแผ่มเมตาหน้า233 3.13 การแผ่มเมตาให้ตัวเอง หน้า233 3.14 วิธีระ ง, งับโทรสะหน้า234 3.15 ถ้าจิตไม่มีแรงให้ยอมรับสภาพและรู้ด้วยใจที่เป็นกลางหน้า236 3.16 ถ้าภาวนาแล้วอยู่กับโลกไม่ได้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นหน้า237 3.17 วิธีแก้ความเบื่อตัวเองหน้า237 3.18 ฟังเทศแล้วรู้กายรู้ใจไปหน้า238 3.19 วิชานอนหลับหน้า239 3.20 วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อหน้า239 3.21 ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วจะปฏิบัติอย่างไรหน้า239 3.22 หนาทีทองของผู้ปฏิบัติและนาทีทองในสังสารวัตรหน้า240 3. ามสสรุปวิธีปฏิบัติธรรมหน้า241 4. ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมหความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้า249 1.1 ธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดหน้า249 1.2 ธรรมะที่แท้ต้องให้ผลเร็วหน้า251 1. 1. ้ส ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนื่นช้าหน้า251 1.4 ธรรมะที่ทำให้เนื่นช้าหน้า252 1.5 ผู้ปฏิบัติต้องไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงหน้า253 1.6 ศาสนาพุทธเรียนแบบการวิจัยหน้า254 1.7 อุทานธรรมบทแรกของพระพุทธเจ้าคือบททักตันหาหน้า255 1.8 สติปัฏฐานเป็นเครื่องถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกหน้า 256.1.9 วิปัสสนาคืองานหลักสมถะคืองานสนับสนุนหน้า 256.1.10 พระพุทธเจ้าข้ามโอคะได้พร้อมไม่พักและไม่เพียนหน้า 257.1.11 ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหน้า 258.1.12 จิตเหมือนท่อนไม้ลอยน้ำถ้าไม่ติดข้องในสิ่งเจประการจะถึงนิพพานด้วยตัวเองหน้า260 1.13 าคำว่าถาวรในสังสารวัรไม่มีหน้า263 1.14 พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละความเป็นตัวตนแต่สอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนหน้า265 1.15 ห้่้วงน้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีหน้า265 1.16 คำพีมหายานก็มีดีเหมือนกันหน้า267 1.17 สิสติสปัญญะเป็นทางสู่โลกุตตะปัญญาหน้า269 1.18 จิตไม่ใช่ตัวเราเกิดดับทั้งวันหน้า270 1.19 จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวหน้า271 1.20 การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นและไม่คาดหวังหน้า271 1.21 หลักของการปฏิบัติคือให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายหน้า272 1.22 พระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะหน้า273 1.23 ทุกสสมทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันหน้า273 1.24 ต้องมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมมูลอริยมรรคถึงจะเกิดหน้า274 1.25 มักมีองค์8เกิดขึ้นในขณะเดียวกันหน้า277 1.26 มักมีองค์8ประชุมอยู่ในขณะจิตเดียวกันหน้า278 1.27 การดับเวทนาไม่ใช่สติปรตาฐานหน้า278 2. ธรรมะของครูบาอาจารย์หน้า282 2.1 สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุหน้า282 2.2 จุสภาษาริบุตสอนธรรมะพระอนุรุธทธะหน้า283 2.3 ส, ส, สิทธิ์กับอาจารย์พศส0 0หน้า284 2.4 หลวงปู่มั่นสอนธรรมะหลวงปู่สุวั์และหลวงปู่ดูลหน้า285 2.5 สทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุงซ่านหน้า2 8ง2้หธรรมะของหลวงปู่ดูล หลวงปู่เทศและหลวงพ่อพุทธธาตุหน้า287 2.7 ธรรมะหลวงปู่ดูลหน้า290 2.8 พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหน้า291 2.9 ไม่ให้เอาจิตไปแสวงหาจิตหน้า298 2.10 คิดเท่าใดก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้หน้า300 2.11 หลวงปู่ดูลสอนแยกรูปถอดเห็นสุญญาตาหน้า303 2.12 การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหน้า304 2.13 สหลวงปู่เทศสอนจิตกับใจฌานกับสมาธิหน้า308 2.14 ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงหน้า309 2.15 ความเป็นกลางมีหลายระดับหน้า310 2.16 สิบสอง การภาวนาต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติหน้า3ามร้อสบเอสองเจเมื่อไรเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมหน้า3ามร้อสิบเอสองจุความสุขของสมาธิเหมือนความสุขของเด็กไร้เดียงสาส่วนความสุขของวิปัสสนาเหมือนความสุขของผู้ใหญ่หน้า3ามร้อสิบสองสองจุ้สิ้นโลกเหลื อ, อธรรมหน้า3ามร้อสิบสสองจุ หลวงปู่เทศสอนว่าให้ลองนึกดูว่าเราเคยมีความสุขตอนไหนหน้า315 2.21 สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหน้า317 2.22 ในหลวงถามธรรมะหลวงปู่เทศหน้า317 2.23 ธรรมะหลวงปู่บุตรดาและหลวงปู่เทศหน้า318 2.24 ยสิธรรมะของหลวงพ่อเทียนหน้า319 2.25 หหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สึกหน้าส2 0 2 2อยี่สิบสองรู้อย่างแท้จริงคือไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบหน้าส2 1 2.27 ยิเอดสองจธรรมะของหลวงพ่อพุทธหน้าส2 1 2 2อยิบเอ็ดสองท่านอาจารย์พระมหาบัวสอนหลวงพ่อหน้า322 2.29 ยิสองสองจหัวหน้ากิเลสซ่อนอยู่ในใจเราหน้า322ยิสอง 2.30 จสหลวงพ่อเข้าใจธรรมะเรื่องการดูจิตจากคำสอนของหลวงปู่ดูลหน้า323 2 3อยิสาสองจสามหนึ่งปณิธานของหลวงพ่อหน้า324 2.32 ยิสองจสสองหลวงพ่อก็สอนเหมือนครูบาอาจารย์หน้า325 2 3อยิห้าสองจสาสธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาหน้า326 2.34 ยสองจุสามสี่ วิธีปฏิบัติของหลวงพ่อหน้า330 2้อสาสิจดสาหจิตผู้รู้หน้า331 2 3อยสิบเอดสองจาหหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรหน้า332 2้อยสสิบสองสองจุดสามเจตัวเราเหมือนหมูกระดาษหน้า332 3. ้สสิสองความเข้าใจในธรรมปฏิบัติหน้า336 3้ยสสิสาจุหนึ่งข้อธรรมะหน้า336 1. ้อยสสิหหนึ่ง เรียนเพื่อให้รู้จักทางสายกลางหน้า336 2. ทางสายกลางหน้า337 3. พระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาหน้า339 4. รากเง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงหน้า340 5. อวิชชาทำให้เกิดวัฏสงสารหน้า341 6. ข้ามทะเลทั้งสี่ในวงเล็บ โอคะแล้วจะถึงจิตหนึ่งหน้า342 7. เจ็ดโมคะราชมานพถามปัญหาพระพุทธเจ้าหน้า358รู้แจ้งอริยสัจคือรู้ทุกหน้า352 9. เก้ารู้ทุกแล้วมีความสุขหน้า353 10สิบการเกิดความโลภโกรธหลงหน้า354 11สิบเอ็ดธรรมะมีเหตุมีผลหน้า355ห 12มิจฉาทิฐิเป็นอกุศลที่ร้ายแรงหน้า355 13เราทําทุกอย่างเพื่อรักษาอัตตาตัวตนหน้า356 14โลพัะเจตนาทําให้เกิดการกระทํากรรมหน้า357 15มโนสัญญะเจตนาหน้า358 16สีลพัพพตปรามาสหน้า358 17 ยานที่ขึ้นวิปัสสนาหน้าส5 8 18. อห้าสิบสิบนิพพิทายานหน้า359 19. อห้าสสเกอุทย พ, พยายานหน้าส6 0 20. อหสยี่สิบโคตรภูยานหน้าสา0 21. อหกสิยี่สิบเอ็ดการปฏิบัติทำเหมือนกันแต่การละสังโย์ไม่เหมือนกันหน้าสา0 22. อหสยี่สิบสองโยนิโสมนาสิการเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญ หน้า362 23พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำจิตว่างหน้า363 24ธรรมะที่อาจจะได้ใช้ในอนาคตหน้า365 3.2 การภาวนาหน้า369 1. ชาวพุทธเป็นนักเรียนไม่ใช่นักธรรมหน้า369 2. เราเรียนเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาหน้า370 3. ส ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรหน้า371 4. การเรียนธรรมะต้องรู้ทิศทางเดินและเห็นธรรมดาของกายของใจหน้า372 5. การภาวนาต้องจับหลักให้แม่นแล้วทางใครทางมันหน้า374 6. กรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันหน้า375 7. ้าถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบัติจะใกล้กับมรรคผลนิพพาน หน้าสากทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจหน้า376 9. ภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งบังคับไม่ได้หน้า3 8 0 10. การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกหน้า3า1 1 1การภาวนาเหมือนการกินข้าวกินไปเรื่อยเมันอิ่มเองหน้า382อง 12. การปฏิบัติให้นับหนึ่งทุกวันหน้า384 13. อยาอยากดูของจริงก็ปล่อยให้กายให้ใจยอยู่กับความจริงหน้า384 14. เวลาทำงานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาจเจริญสติหน้า384 15. ถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหน้า385 16. ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหน้า386 17. การสำรวมอินทรีย์หน้า386 18. การเจริญพรมวิหารหน้า387 19. ความต่างของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติหน้า388 20. ถ้าเรารู้เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดหน้า389 21. ความหมายของคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ชัดหน้า389 22. สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหน้า390 23. ความจงใจเป็นปัจจัยทำให้เกิดการกระทำกรรมหน้า391 24. จําเจำเป็นต้องตื่นบ่อยหรือไม่หน้า391 25. จงใจรู้สึกตัวจะเหนื่อยหน้า391 26. การเตรียมตัวเพื่อข้ามภพข้ามชาติหน้า392 27. ตอนข้ามภพข้ามชาติ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากบารมีหน้า392 28บารมีทั้งหมดต้องใช้ตอนจะข้ามภพข้ามชาติหน้า396 29บรรลุเร็วขีดบรรลุช้าปฏิบัติง่ายขีดปฏิบัติยากหน้า397 30สุขาปฏิปทาและทุกขาปฏิปทาหน้า398 31าทำตัวอย่างที่ดีในบ้านก่อน หน้าสามร้อยเก้าสิบแดสามสิบสองเราต้องมุ่งสู่สังขารุเปกขายานซึ่งเป็นประตูของการบรรลุธรรมหน้าสามร้อยเก้าสิบเก้าสาสิบสามจุดสุดท้ายของการปฏิบัติคือเห็นขันห้าปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งขันห้าหน้าสี่ร้อยหนึ่งสามสิบสี่ถ้าฝึกดับเวทนาจะไปเกิดในภูมิต้องห้ามหน้าสี่ร้อยสามสามจุดสามสภาวะหน้าสี่ร้อยหกหนึ่ง สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับถึงจะดับหน้า4หกการดูสภาวะให้รู้ลงปัจจุบันหน้า406ร้สมสมมติบัญญัติปิดบังรูปตัวจริงหน้า4เจด่ถ้ารู้ทันสภาวะแล้วไม่ติดหน้า4ีา่รหสภาวะคู่หน้า408 6เจริญได้ก็เสื่อมได้หน้า4ี่ความจเจริญและความเสื่อม หน้า409 8โลกข้างนอกวุ่นวายข้างในนี้นิ่งแต่อย่าพอใจในความนิ่งหน้า4ี่เาเวลารู้จริงๆรู้แว็บเดียวหน้า4ี่รเพราพอรู้ว่าตัวเราไม่มีกลับมีความสุขที่สุดหน้า4ี่ร้สิบ1ความแตกต่างของเบื่อด้วยนิพพิทาและเบื่อด้วยโทสะหน้า4 1่รสเบื่อเพราะสมถะ และเบื่อเพราะวิปัสสนาหน้า411 13. ปัญหามีตลอดเวลาแต่ใจเราไม่มีปัญหาหน้า413 14. ีลีลาการบรรลุธรรมหน้า413 3.4. สมถะหน้า414 1. หลักของการทำสมถะคือต้องมีความสุขหน้า414 2. สมถะคือหนีเข้าป้อมทำเมื่อจำเป็นหน้า416 3. สามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาร่วมกันได้หรือไม่หน้า417 4. ทำสติปตัฏฐานถูกต้องแล้วเกิดสมถะได้เหมือนกันหน้า419 5. ถ้าเพ่งมากหากตายลงไปจะเป็นพรหมหน้า419 3.5. วิปัสสนาหน้า420 1. การทำวิปัสสนาต้องพ้นจากขั้นของความคิดหน้า420สอง การคิดเปรียบเทียบยังไม่เป็นวิปัสนาหน้าสี่รอยี่สิบเอ็ดสามวิปัสนาทำเพื่อรู้ทุกข์ไม่ใช่แก้ทุกข์หน้าสี่ร้อยี่สิบเอ็ดสี่วิปัสนาสามารถแก้ความเห็นผิดได้หน้าสี่ร้อยยี่สิบสองห้าวิปัสนาเป็นงานที่มีที่สิ้นสุดส่วนสมถะเป็นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดหน้าสี่ร้อยยี่สิบสามสามจุดหกปัญญาหน้าสี่ร้อยยี่สิบสี่หนึ่ง บุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาหน้า424สองการปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญาหน้า424สามการพิจารณาการเพ่งให้เกิดปัญญาหน้า425สามจุดเจ็ดสติหน้า426หนึ่งสติมีหน้าที่รักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาหน้า426สองมีวิหารธรรมเพื่อให้มีสติ ไม่ได้มีวิหารธรรมเพื่อไม่ให้ขาดสติหน้า426สามถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสจะเข้ามาที่ใจไม่ได้หน้า427สี่มีสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆหน้า428ห้าถ้ารู้สึกตัวจิตจะหลุดออกจากโลกแห่งความคิดหน้า429หกเวลารู้สึกตัวความเป็นตัวตนจะหายไป หน้า430 7. การเจริญสติทำให้อนุสัยเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆหน้า431 8. พอมีสติแล้วกิเลสเท่านั้นที่ดับถ้าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ดับหน้า432 9. ถ้ามีสติกิเลส ด, ดับแต่เวทนามไม่ดับหน้า432 10. การลืมตัวเรียกว่าประมาทหน้า433 3.8. ความเป็นกลางหน้า436 1. ถ้ารู้สภาวะด้วยความเป็นกลางจะเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนหน้า436 2. ความเป็นกลางเกิดได้ทั้งบังคับเอาไว้หรือเกิดจากปัญญาหน้า436 3. พอใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิน้นใจจะเข้าถึงธรรมหน้า437 4. ใจเป็นกลางคือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลหน้า438 3.9. กา 9, การปรุงแต่ง หน้าส3 8 1. โลกนี้เต็มไปด้วยความปรุงแต่งแต่ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนหน้า438 2. สให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งหน้า441 3.10 สบเอดหนึ่ง์ขันหน้า442 1. สองขันห้าเป็นภาระหน้า442 2. ขันเหมือนภาพลวงตาเหมือนภาพในจอหนังหน้า442 3.11 หนึ่งหนึ่งทุก หน้าสี่ร้อยสสิบสี่หนึ่งความทุกข์อยู่ในใจเราพอคิดก็ทุกข์ขึ้นมาหน้าสี่ร้อยสสิบสี่สองทุกข์เพราะจิตยหยิบฉวยจิตหน้าสี่ร้อยส่สิบหสาพระอริยเจ้าวางของหนักลงไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์หน้าสี่ร้อยสี่สิบแปดสโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกจะไม่ทุกข์หน้าสี่ร้อยสสิบแปดห้า พลทุกได้เพราะใจเป็นกลางหน้า449 6. เราไม่หนีทุกขแต่ต่างคนต่างอยู่หน้า449 7. ถ้าเห็นทุกจะพบความสุขที่เหนือโลกหน้า452 3.12 หกายหน้า452 1. กายคือที่ประชุมหน้า452 2. กายและใจเป็นของหนักหน้า452 3. ก่อนที่จะรู้กายต้องแยกรูปนามให้ได้ซสก่อนหน้า45่หาสิากายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหน้า45่หาร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตใจเราอย่าป่วยด้วยหน้า454 3 1 3จน่าิตหน้า45่ห้าหน่จิตหนึ่งหน้า455ห้าห จิตที่เป็นหนึ่งไม่มีอะไรมาย้อมได้หน้า456 3จิตหนึ่งทำหนึ่งหน้า457 4หการทำงานของจิตหน้า458 5หวิธีของจิตหน้า459 6หจิตเรามีเปลือกคืออาสวะห่อหุ้มเอาไว้หน้า460 7จิตเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดเวลาหน้า461 8 จิตไม่มีรูปร่างให้ดูแต่เราดูจิตตะสังขารหน้า462 9. การเห็นจิตเกิดดับสามารถถอดถอนความเห็นผิดได้หน้า463 10. จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นหน้า463 11. จิตเขาหลุดของเขาเองหน้า464 12. จิตบรรลุธรรมของเขาเองหน้า465 13. จิตเป็นตัวทุกข์ล้วนล้วนร้นหน้า4 6 5 14ถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยหน้า467 15หหใจจะเป็นกลางได้เมื่อเห็นไตรลักษณ์หน้า468 16ต้องรู้สภาวะธรรมด้วยใจที่เป็นกลางหน้า468 17จิตเป็นกลางเพราะมีปัญญาไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิหน้า468 18ห ความเป็นกลางคือกระทบแล้วไม่ได้เกลียดมันหน้า470ร้เจ็ดสสใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่อยากจะเห็นนิพพานหน้า470รอเจ็ดสิบยี่สิถ้าหมดความยึดถือในกายในใจความทุกทางใจจะไม่มีหน้า471ร้เจ็บอยสิบ็ถ้าใจยอมรับความจริงจะเลิกดิ้นรนและไม่ทุกข์หน้า471ร้เจ็บเอดสสองจิตใจที่แห้งสนิทสมควรแก่การบรรลุธรรม หน้า472 23ต้องฟังธรรมะให้เข้าถึงจิตถึงใจหน้า473 24ดูให้ถึงจิตถึงใจหน้า475 25จิตเข้าใจธรรมะถึงจาระกิเลสได้หน้า475 26จิตรู้อะไรก็ได้แต่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อหน้า476 27 จิตเบิกบานเพราะมีสติรู้ทันจิตโดยไม่ได้จงใจจะรู้หน้าส7 6 2้อยเจ็สิบหยี่สิบปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้า4ี่29อยเจ็สิบเจ็ดยี่สิบเกจิตผ่องแผ้วได้เพราะเห็นไตรรักของกายของใจหน้าส7 7ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสาสิใจเราไม่ยอมรับธรรมะหน้าสี่3้อยแปดสิบสาสิบเอ็ดเราเชื่อแต่จิตเราไม่ยอมเชื่อหน้าสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดสามสิบสอง เราเห็นแต่จิตไม่เห็นหน้า481 33สจิตที่เพ่งเป็นทุกข์หน้า4ี่ร้เอดสจิตเจ้าหมองทำอย่างไรหน้า4ี่ร้อถ้าจิตเกิดอกุศลอย่าไปดูอกุศลให้ดูที่ใจที่ไม่ชอบอกุศลหน้า483 36จิตปรุงแต่งไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งต่อหน้า484 สสิบจดจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหน้า485 38ปดสบห้าสสหลงทางรู้ว่าหลงทางจะถึงบ้านพอดีหน้า486 39ยปดหสสิรู้อะไรก็ได้แต่รู้แล้วกลับมารู้ใจตัวเองหน้า4ี่40อยปหสี่สิทานิมิตเกิดขึ้นให้ดูที่ใจตัวเองหน้า4ี่41อยแปดสิเจ็ดสี่สิบเอ็ดจิตใจเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นโลกอย่างนั้น หน้า487 42ถ้าคิดขณะจิตรวมจิตจะถอนออกมาหน้า488 43เรารักใจมากกว่ารักกายหน้า489 44ลงคิดเกิดมากที่สุดหน้า490 45สภาวะของจิตตอนจะตายหน้า491 3.14 กิเลชหน้า491 1, 1. หน้าที่ของกิเลสหน้า491 2. วิธีปฏิบัติต่อกิเลสหน้า492 3. รู้กิเลสไม่ใช่รักกิเลสหน้า492 4. วิธีสู้กิเลสหน้า493 5. เราฝึกเพื่อรู้กิเลสไม่คล้อยตามและไม่ต่อต้านหน้า497 6. ตัณหาปกครองเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกปกครองหน้า498 ต้องทำให้กิเลสขาดทุนจนเหี่ยวแห้งตายไปหน้า498 8. ถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยหน้า499 9. ภาวนาแล้วเห็นตัญหา6ตัวหน้า500 10. ภาวนาแล้วอยากดีละสากยะิทิฐิไม่ได้หน้า501 11. การภาวนาอย่าห่วงความสงบหน้า502 12. สิบสอง ถ้ามีความอยากจะทำอย่างไรหน้า502 13ถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหน้า502 14ความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ความยินดีพอใจในความสุขเป็นราคะหน้า503 15สาิเหตุที่เห็นกิเลสแต่กิเลสไม่ดับหน้า504 3.15 วิบากหน้าห0 4 3.16 ปัญหาของผู้ปฏิบัติหน้า504 4, 4. ผลจากการปฏิบัติธรรมหน้า505 4.1 การเกิดปัญญาหน้า505 4.2 ญาณที่เกิดจากการเจริญปัญญาหน้า506 4.3 การบรรลุธรรมหน้า508 4.4 การได้ดวงตาเห็นธรรมหน้า510 4.5 เพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ปล่อยวางขันเอง หน้าห้าร้อยสิบเอ็ดสี่จุดหกภูมิธรรมของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์หน้าห้าร้ยสิบสองสี่จุดเจ็ดพระโสดาบันละสังโยชน์เบื้องต้นสามอย่างด้วยญานนณทัศนะคือความเห็นถูกหน้าห้าร้อยสิบห้าสี่จุดปดพระอนาคามีไม่มีกามและปฏิฆะหน้าห้าร้อยสิบหกสี่จุดเก้า การที่จิตแยกออกจากอารมณ์และไม่เข้าไปรวมกันอีกเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีหน้าห้า4้0สิบเจหนึ่งพระอริยะอยู่กับจิตหนึ่งหน้าห้า4้อสิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งจิตพระอรหันต์หน้าห้า 4.12 สิบหนึ่งสองนิโรธมีหระดับหน้าห้า4้อสิหนึ่งสความหมายของนิโรธหน้าห้า4้4ยี่สิบเอ็ดหนึ่งส นิพพานหน้า521 4.15 นิพพานคือสันติคือความสงบหน้า523 4.16 ความสุขมีหลายแบบหน้า525 4.17 การทํางานของสมองหน้า525 4.18 เราเลือกอนาคต ด, ด้วยตนเองหน้า527 4.19 วินยูชนรู้ความก้าวหน้าได้ด้วยตนเองหน้า527 5. ทมที่ควรพิจารณา 1. หน้าที่ของชาวพุทธหน้า531 1.1. พระพุทธเจ้าฝากศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัทหน้า531 1.2. งานหลักของชีวิตหน้า533 1.3. งานหลักของเราคือทำตัวให้พ้นสังสารวัฏหน้า533 1.4. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อย เป็นศาสนาที่ต้องพึ่งตนเองและต้องกล้าเผชิญความจริงหน้าห3 6 1.5 อหนึ่งุดอุดมคติของมนุษย์หน้าห4 0 1.6 หนึ่งชาวพุทธต้องรักษาสมบัติของพ่อแม่หน้า541 1.7 หนึ่งพระรุ่นก่อนสืบต่อศาสนาการชนิดเอาชีวิตเข้าแลกหน้าห4 3 1.8 สาหนึ่งคุณงามความดีต้องพัฒนาหน้า544 1.9 หนึ่ง ธรรมะไม่ใช่สินค้าแบกะดินไม่ใช่ของยัดเยียดหน้าห้าร้อยสสิบสี่หนึ่งจุหนึ่งหน้าที่ของครูหน้าห้า1้อยสี่สิบห้าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หน้าห้าร้อยสสิบเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งสองพาพ่อแม่เรียนธรรมะเป็นการทดแทนคุณท่านหน้าห้าร้อยสสิบเจ็ดสองชาวพุทธที่แท้จริงหน้าห้าร้อยสสิบปดสองจุดหนึ่งพุทธคือพุทธ ชาวพุทธต้องเข้มแข็งและพึ่งตนเองหน้า548 2.2 ชาวพุทธต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีไม่ใช่ไปแก้กรรมเก่าหน้า550 2.3 ชาวพุทธสร้างพรให้ตัวเองหน้า551 2.4 อย่าคบคนผ่านให้คบบัณฑิตหน้า552 2.5 ชาวพุทธวางแผนเป็นหน้า554 2.6 ชาวพุทธวางแผนด้วยใจที่เป็นอิสระจากกิเลสหน้า 555.2.7 เราตัดสินด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึกหน้า 555.2.8 ไม่ตัดสินใจขณะที่ยังโกรธอยู่หน้า 556.3 เส้นทางเดินของผู้ปฏิบัติหน้า 557.3.1 เส้นทางการปฏิบัติธรรมหน้า 557.3.2 เส้นทางสายธรรมเราไม่ได้เดินคนเดียว หน้า557 3.3 เมื่อเราเข้าถึงธรรมะจะพบบ้านที่แท้จริงหน้า558 3.4 เราได้พบธรรมะก็เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหน้า560 3.5 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันหน้า560 3.6 ธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาหน้า561 3.7 ความหมายของกาลยานมิตร หน้า561 3.8 สิ่งสำคัญที่ช่วยผู้ปฏิบัติคือกาลยานามิตรและโยนิโสมนสิการหน้า562 3.9 กาลยานมิตรและโยนิโสมนาสิกา ร, ากาาาาการเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคหน้า562 3.10 เราปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองหน้า566 3.11 หัวใจของชาวพุทธอยู่ที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด หน้าห้าร้อยหกสิบเจ็ดสามจุดหนึ่งสองภาวนาอยู่กับปัจจุบันหน้าห้าร้อยหกสิบเก้าสามจุดหนึ่งสามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันหน้าห้าร้อยหกสิบเก้าสามจุหนึ่งสี่ใช้ชีวิตปกติภาวนาไปเลยหน้าห้าร้อยเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งห้าศรัทธาของปุถุชนยังคลอนแคลนแต่ศรัทธาของพระอริยเจ้าแน่นแฟน้นหน้าห้าร้อยเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งหกช่างปั้นหม้อ หน้าห้า3้อยเจ็ดบห้าสามจุหนึ่งเจดการลงทุนให้กับชีวิตหน้าห้า3้อยเจ็ดสิบห้าสามจุดหนึ่งธรรมะพยายามแสดงตัวให้เราดูแต่เราปฏิเสธธรรมะหน้าห้าร้อยเจ็สิบเจ็ดสามจุหนึ่งเกาการสำรวมหน้าห้าร้อยเจ็สิบเจ็ดสามต้องซ้อมเอาไว้ก่อนที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาหน้าห้าร้อยเจดสิสามจดสองหนึ่งชีวิตเป็นของไม่แน่นอนต้องฝึกตัวเองเอาไว้ให้พร้อม หน้า579 3.22 ชาวพุทธสันโดดในผลแต่ขยันทําเหตุหน้า581 3.23 อาสม4หน้า582 3.24 เรายืมร่างกายมาจากโลกต้องดูแลรักษาของที่ยืมมาให้ดีหน้า583 3.25 ดูจิตตอนตายหน้า584 4อา น, นิสงส์ของการภาวนา หน้า585 4.1 การปฏิบัติธรรมเป็นริยท ร, รั์ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติหน้า585 4.2 โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าจเจริญสติจะมีภูมิต้านทานความทุกข์หน้า586 4.3 ศึกษาธรรมะแล้วมีภูมิต้านทานความทุกข์หน้า587 4.4 การมีสติช่วยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หน้า587 4.5 ยามคับขันธรรมะช่วยเราได้หน้า588 4.6 ภาวนาแล้วจะรวยและสวยหน้า589 4.7 สติอัตโนมัติสามารถช่วยเราตอนจะตายได้หน้า590 5ปกินนกธรรมหน้า592 5.1 พรปีใหม่จากหลวงพ่อหน้า592 5.2 ศาสนาพุทธสอนธรรมะต่างจากศาสนาอื่นหน้าห9 3 5.3 หจสความสุขในศาสนาพุทธหน้าห้าร่หาจสพ่อแม่ทางโลกพ่อแม่ทางธรรมหน้าห้าร่หาหความการุณาเป็นแรงจูงใจฝ่ายกุศลที่ยิ่งใหญ่หน้าห้6 5.6 บหุบุญประกอบด้วยมิจฉาทิฐิได้บุญน้อยหน้าห้6 5.7 หหจ ถ้าถือศีลห้าไม่ครบจะภาวนาได้หรือไม่หน้า597 5.8 การถือศีลให้บริสุทธิ์ต้องประกอบด้วยสติปัญญาหน้าห98 5.9 ถ้าผิดแล้วอย่าไปคิดซ้ำหน้าห้้าหถ้าพิจารณาความตายเนืองๆจิตใจจะสงบสบายหน้า599 5. หนึ่งจิตใจเต็มไปด้วยความหิวความต้องการตลอดเวลา หน้า599 5.12 คาถาแก้จนหน้า602 5.13 คาถาทําให้รวยหน้า603 5.14 อยู่อย่างพอเพียงจะมีส่วนเหลือหน้า604 5.15 ถ้าเราใช้ชีวิตสมเหตุสมผลเราจะไม่เหนื่อยหน้า605 5.16 เจ้ากรรมในเวนหน้า607 5.17 ธรรมะจากมัตราสังยึดอะไรก็ทุกเพราะอันนั้นหน้า608 5.18 เราผูกพันกับครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ไม่ผูกพันกับเราหน้า610 5.19 แผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญไม่เหมือนกันหน้า611 5.20 สวดอภิธรรมเพื่อแสดงให้คนฟังรู้ว่ามีแต่สภาวธรรมหน้า611 5.21 ธรรมะฝ่ายดีมีมาก หน้า612 5.22 ขอขมาให้พรขอพรหน้า613 6ข้อเตือนใจหน้า615 6.1 พระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นที่พึ่งหน้า615 6.2 ธรรมะเป็นของง่ายหน้า616 6.3 สิ่งภายนอกสร้างปัญหาให้เราได้แต่จิตเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองหน้า616 6.4 อย่าประมาทเพราะชีวิตเราเหมือนไต่ลวดอยู่บนขอบเหวหน้า617 6.5 บุญกรรมของแต่ละคนหน้า619 6.6 การเรียนธรรมะคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองหน้า620 6.7 เทำเหตุไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องได้ผลตรงกันแน่นอนหน้า621 6.8 ขันติเป็นเรื่องที่สำคัญมากหน้า622 6.9 คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกของความฝันจึงพัฒนาชีวิตไม่ได้หน้า625 6.10 การทำให้กิเลสของตนและของผู้อื่นเกิดขึ้นเป็นบาปหน้า626 6.11 ถ้าจะละกิเลสได้ต้องเห็นโทษของมันหน้า627 6.12 ชีวิตสมบูรณ์ได้เพราะหมดความอยากหน้า628 6.13 ชีวิตต้องอดทน หน้าห2 9้อยิบเก้าหกจุหนึ่งสี่นิกายที่แฝงในศาสนาพุทธหน้าห2ร้อยิบเก้าหจุหนึ่งห้าพระพุทธเจ้าสอนในเครื่องหมายคำพูดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกหน้าหนร้อยสามสิบห6จุหนึ่งหการมีครอบครัวหน้าห3ร้อยสามสิบสามหกจุหนึ่งเจ็ดอย่าประมาทความตายมาถึงตัวเมื่อใดก็ได้หน้าห3ร้อยสามสิบสามหจุหนึ่งอย่าประมาทในธรรม หน้าหกร้อยสสิบห้าหจหนึ่งาาปล่อยนาทีทองในสังสารวัตหน้าห3ร้อยสาสิบเจ็ด